จะไม่ตอบพอคำถามจะไม่พูดเลยสักคำฉันจะไม่บอกจะไม่พูดเรื่องอะไรฉันไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไม่ได้เรื่องอะไรฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์้ลยสัมพาครูชาันให้ตายยังไงก็ไม่ตอบตกฉันให้ตายยังไงก็ไม่บอกขูชาันให้ตายยังไงก็ไม่ตอบตกชานให้ตายยังไงก็ไม่บอกรู้ ม่ไรที่ไม่ใช่เรื่องของใครฉันก็ไมีสิทธิ์ที่จะไปไหนก็ไปฉันไม่จําเป็นต้องบอกใครว่าทําไมอะไรอย่างไรฉันไม่จําเป็นต้องให้ใครเข้าใจคูชาตินายตายยังไงก็ไม่ตอบตกชาตินายตายยังไงก็ไม่บอกคูชาตินายตายยังไงก็ไม่ตอบตกชาตินายตายยังไงก็ไม่บอกร ยังไม่ิจะไปไหนกับไว้ฉไม่จะเป็นตัวบ้ใครว่าจะมาไอย่างไรฉัไม่จะเป็นต้องให้ใคราใจผู้ชะได้ตายยังไงก็ไม่ตอบตบชนะได้ตายยังไงก็ไม่บอกผู้ชะได้ตายยังไงก็ไม่ตอ